ผมเดือดใจนักหาปลามาตั้งแต่เด็กจนหนุ่มก็ไม่เคยแพ้ปลาเลยค้าจะโดนหลอกเข้าละสิคุณลุงผีมันเขย่าเหรอคุณละไมพูดไม่รู้สิครับตอนนั้นผมไม่สงสัยอะไรเลยโทษว่าตัวเองช้าไปเกราะดังและภพายเรือเข้าไปกู้ช้าปลามันก็เลยหลุดหมดผมด่าโชคของตัวเองแต่ก็ทนทำการทำงานไปจนเกือบสามทุ่มเอ๊ทีนี้สิปลาติดเยอะเชียว